ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหันตสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าพระองค์นั้นการบัดเนเป็นการฟังธรรมการฟังธรรมนี้มีมาตั้งแต่สมัยพระพุท ธ, ธเจ้านิชัยว่าพึ่งมี การนั่งขัดสมาธิเพชรนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่มาลีเริ่มใหม่คือวันที่พระพุทธเจ้าของเรานั่งภาวนาใต้ลมไม้โพเทคนเรานับถือต้นไม้โพคือว่าต้นโพนั้นเป็นที่พระพุทธเจ้านั่งสมาธิภาวนาแต่การนั่งครั้งนั้นพระองค์ นั่งแบบเสียสละหรือว่าถ้าหากว่าไม่ได้ตรัดสลูกเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์จะนั่งให้มันตายมานั่งขัดสมาธิเงี้นไม่ใช่พระองค์ทำเล่นเอาจริงและที่ในวันนั้นที่เราเรียกว่าวันวิสาขาบูชาเป็นวันพระพุทธเจ้าของเราได้ตัด กิเลสพร้อมทั้งวาสนาเป็นวันที่พระองค์เอาจริงเอาจังกับกิเลสไม่ใช่ทำเล่นคือวันนั้นนับตั้งแต่พระองค์สเสวยอาหารฉันบินธบาตของนางชุตาดาแล้วล้วก็มาเสียงถาด ข้ามแม่น้ำมาก็มาถึงต้นไม้โพนะั้นเมื่อมาถึงต้นโพต้นนั้นแล้วพระองค์ชอบพระไว่าเราจะนั่งสมาธิภาวนาให้ได้ตรัสรู้จริงๆที่ล่มไม้นี้ตามตำนานโบราณว่าต้นไม้โพต้นนั้น กับอายุพระพุทธเจ้าของเราเรียกว่าปีเดียวกันพระพุทธเจ้าประศูตปีนั้นต้นไม้พอต้นนั้นก็เกิดในปีนั้นก็โยในสามสิบห้าปีต้นไม้ธรรมดาก็ตามต้นไม้โพก็ตาม ขนาดสามสิบห้าปีนั่นเรียกว่ายังแข็งแรงล่มเงาดีเมื่อพระองค์มาถึงต้นโพนั่นแล้วก็จิตใจก็สบายมากพระองค์เยิมในใจจะเอาชนะกิเลสในใจให้ถึงขั้นเด็ดขาดแต่ก่อนมามันยังไม่เด็ดไม่ขาด พระองค์ก็ไกลกรองว่าอย่างไรจึงจะเด็ดขาดลงไปได้เมื่อพระองค์ไกลกรองไปมาก็ได้ความว่าเอเรานี่มันกลัวตายด้วยเนี่ยมันจะไม่ให้ตายวันต้องเอาตายนี่แหละสู้มันการนั่งขัดสมา็จ พ, พระองค์ยอมตายหละ ถ้าไม่ได้ตัดสโลก็พ <c oughs> ระองค์จะไม่ไปบินถบาทไม่เฉวยอาหารร่างกายมันก็อยู่ไม่ได้ต้องตายทีนี้นเมื่อเอาตายสู้มันอะไรอะไรก็มาสู้ไม่ได้เมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิ หินหลังให้ต้นไม้โคผินหน้าไปทางทิศตะวันออกพระองค์ยังตั้งสัจจะอธิฐานลงไปในใจว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้จะให้เป็นครั้งสุดท้ายสุดท้ายอย่างหนึ่งก็เพื่อตัดกิเลสให้เด็ดขาด สุดท้ายอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าจิตใจนี้ยังเลาะและวันไหวกลัวตายอยู่พระองค์จะไม่ถอยเมื่อพระองค์ไม่ลกไปมาในที่ใดๆชีวิตมันก็อยู่แค่นั้นเอาตายที่ล้มไม่โคเนี่แหละพระองค์เด็ดเดียวอย่างนั้นในความหมายเช่นนี้พระองค์ตั้งใจว่า แม้ชีวิตเลือดเนื้อเชื่อไขในร่างกายนี้จะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีคือว่าถ้ามันจะตายก็ยอมตายทีนี้ถ้าไม่ได้ตรัสโลเป็นพระพุทธเจ้าดังความมุ่งมา่ปราถนามากิเลสไม่ตายจะให้ร่างกายตายทีนี้ เมื่อพระองค์ตัดสินใจลงอย่างนั้นกําลังจิตกําลังใจนั้นเรียกว่ามารวมกันหมดบารมีทานบารมีศีนบารมีบารมีทั้งหลายแหลที่พระองค์บําเพ็ญมาศีอสงไขยแสนมหากัมมาลุ่มล้อมจิตใจของพระองค์ให้กล้าหารกล้าสละชีวิตลงไปได้ แม้ความตายมาถึงก็ไม่ท้อถอยเมื่อพระองค์ตั้งใจอย่างนั้นจิตใจเข้มแข็งขนาดนั้นกิเลสมารได้แก่กิเลสราคะโทสะโมหะในโลกก็บ่สามารถที่จะมาทำลายสมาธิภาวนาพระพุทธเจ้าของเราได้ ความเน็ดเหนยเมื่อยหิวอย่างเราท่านทั้งหลายเป็นอยู่เนี่ยพระองค์ข้ามได้ท่านว่ายางหนักก็ไปถึงแค่ตายคนเรามันไม่เลยตายไปเลยแค่ตายทั้งนั้นแหละก็มันยังไม่ตายเราจะไปกลัวทำไมพระองค์ไม่ต้องกลัวจิตใจของกระองค์แน่วแน่เด็ดขาดตายก็ช่างมัน เพราะท่านกําหนดได้ว่าคําว่าตายไม่ใช่จิตมันตายธาตุดินตัวคนเรานี่คือธาตุดินหนึ่งธาตุน้ำหนึ่งธาตุไฟหนึ่งธาตุลมหนึ่งประชุมกันอยู่เป็นตัวตนคนเราคําคว่าตายก็คือว่าธาตุดินน้ําไฟลมมันเจ็บปวดทุกขเวทนาทนไม่ได้ ก็ให้เชื่อว่ามันแตกมันตายไปจิตมันไม่เด็ตายเมื่อพระองค์ไกรกลองพินิษพิจารณาเห็นว่าจิตมันไม่ตายท่านก็ไม่กลัวตายภาวนาลูกเดียวตั้งจิตตั้งใจให้มัน่นคงแต่ว่าพระองค์ไม่เดนนึกผุโธในเวลานั้นพระองค์เลือกอุบายภาวนาว่า เราจะเอาอุบายไหนมาภาวนาพระองค์ก็เลือกได้แบบธรรมชาติคือลมหายใจพระองค์กำหนดเอาลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แหละเป็นอุบายเริ่มแรกเบื้องต้นพระองค์ตั้งสติความระลึกได้ สติความระลึกได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกท่านระวังจิตใจไม่ให้คิดแส่สายไปหาอารมณ์เรื่องราวใดๆไม่เอาเอาจิตใจมาจดจ่อที่ปลายจมูกหรือที่ลมเข้าลมออกเอาอันนี้เป็นอุบายภาวนา เวลาสูดลมเข้าไปมันกรผพานดวงจิตจิตนั้นมันไม่ใช่มีรูปร่างท่านว่าเป็นนามธรรมนามธรรมกับรูปธรรมมาอยู่ด้วยกันก็เลยให้ชื่อว่าตัวเราของเราตัวข้าของข้าตัวกูของกูจิตอันนี้มันมายึดอยู่นี่ลระอง์ไม่ให้จิตใจไปยึดถืออะไรทั้งหมด ลมเข้ารับรูวันนี้เป็นลมเข้าจริงลมออกรับรูวันนี้เป็นลมออกจริงกระแสจิตที่จะคิดฟุ้งซ่านลำคาญเหมือนเก่าๆท่านไหมเอาเลิกละเลิกทิ้งหยุดะท่านเอาลมหายใจนี่มัดจิตหรือเอาจิตนั่นมามัดอยู่ที่ลมหายใจก็ถูก เมื่อจิตใจผู้รู้โยภายในนั้นนึร์กโยในลมเข้าลมออกไม่ไปสนใจในเรื่องอะไรทั้งหมดสิ่งใดที่นอกหนังหุ้มออกไปพระองค์ท่านไม่เกี่ยวท่านเนึร์กโยที่ลมหายใจกับภายในหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ คือโยที่ใจโยที่กายเอากายนี่เป็นที่เป็นภาพชนะเป็นเครื่องรับรองเอาดวงจิตผู้โรู้โยภายในเป็นผู้ภาวนาอนาปานลมหายใจเข้าออกระองกำหนดอย่างนั้นเลื่อยไปจนจิตใจไม่พลั้งเผลอเป็นสติปัฏฐาน ทังสี่ระลึกอยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรมจิตของพระองค์รละลึกอยู่ในกายในจิตไม่ไปที่อื่นไม่ให้มันไปที่อื่นไม่ให้ไปยินดียินลายนอกนี้ออกไปเมื่อนึกจเจริญหนักเข้าเีนี้จิตของพระองค์ก่อนนึกได้อีกขั้นหนึ่งว่า ที่พระองค์นึกอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่อันนี้เป็นเส้นชีวิตของมนุษย์และตัวพระองค์ด้วยคนเราถ้ายังมีลมหายใจเข้าหายใจออก่เรียกว่ายังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่ถ้าหมดลมหายใจเข้าไม่มีลมหายใจออกไม่มีเรียกว่าคนตายสัตว์ตาย พระองค์ก็จับจุดนี้ว่าตายลงเข้าไปก็ตายได้ลมออกมาก็ตายได้ชีวิตของคนเรานะี่ยมันอยู่แค่ตายนี่แหละที่มาเกิดมาตายก็เพราะว่าจิตกิเลสอันนี้แหละมันพาให้มาเกิดมาตายเมื่อตายไปก็เอาอะไรไม่ได้เอาอะไรไปด้วยไม่ได้ คนเราที่ตายแล้วมีสมบัติพัตสฐานทรัพย์สินเงินทองบริวารชนทั้งหลายก็เอาไปไม่ได้ทิ้งไว้แค่นั้นแม่ตัวเองพ็ตายลงไปเท่านั้นเนี่ยจะมาจัดการศพตัวเองก็ไม่ได้ต้องทิ้ง สุดแท้แต่มนุษย์ที่เขายังอยู่เขาจัดการอย่างไรก็ตามเรื่องเขาพระองค์ก็มองเห็นความตายแจ้งรัดเรียกว่ามรณะกรรมฐาน ม, มรณะกรรมฐานนี้ถ้าผู้ใดเจริญให้ถึงถึงคำว่ากรรมฐานคือความตายเจตมันมองเห็นได้ว่าความตายมันเป็นความจริง แล้วก็ไม่มีมนุษย์คนไหนร่วงพ้นจากความตายไปได้เกิดมาแล้วต้องตายเกิดแล้วต้องเป็นวันตายได้ทุกวันแต่ที่มันยังเหลือมาจนถึงวันเวลาเรานั่งภาวนาอยู่นี่บญยังรักษาอยู่บนโกศเก่าที่เราทามาทานศีลภาวนา ประพฤติดีปฏิบัติชอบแต่พบก่อนผลหลังยังมาอุดหนุนให้เรายังมีชีวิตต่อมาถึงวันเวลาสิ่นนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันบางคนนั้นเราคิดว่าวันนี้ไม่เป็นไรคงไม่ตายง่ายๆไม่แน่บางคนที่เราเห็นคนตายบางคนนั่นนอนอยู่ดีๆก็ตายได้ นั่งโยดีๆพูดโยกับเพื่อนผูงเดี๋ยวกดเกิดวิกรมเวการขึ้นมาโลหิตในเส้นสมองแตกบ้างเขาก็ว่าไปเป็นภาษาแพทย์ภาษาหมอก็คือเรื่องแตกตายนั่นแหละคนเรานั่นเมื่อมองเห็นความตายแล้วอะไรอะไรสละได้ ก็เหมือนเขาที่ตายไปแล้วเขามีทรัพย์สินเงินทองก็มีไม่มีก็มีแต่พอเขาหมดลมเ้วมันหมดชิตจะมาครอบครองเอาไม่ได้จะเป็นเศรษฐีเมื่อความตายมาถึงเข้าทรัพย์สินเงินทองที่เป็นมหาเศรษฐีก็เอาไปไม่ได้ตกเป็นของคนอื่นพร้อมกับความตาย ถ้าจิตใจของผู้ภาวนาไก่กลองในเรื่องตายนี่เห็นแจ้งจนจิตใจผู้รู้อยู่ในตัวในใจเราทุกคนเมความสลดสังเวในจิตว่าเออความตายนี่มันไม่มีใครข้ามค้นไปได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นเท่าพญามหากษัตร สมมติว่าสูงขนาดไหนก็ตามเมื่อมาะนะครณะภัยคือความตายมาถึงเข้าทุกอย่างต้องจำหยอบความจริงมันเป็นอย่างนี้จึงให้จิตใจเราผู้ภาวนาพุทโธก็ดีนึกถึงความตายก็วดีให้มันซึมซาบเข้าในจิตเดี๋ยวนี้เราทำอะไรมันผิวเผย จิตมันยังไม่รู้ไม่เข้าใจมันยังคานอยู่ในใจนะมันจิตนึ่งว่าเราต้องตายนะมันยังไม่ตายนะยังอยู่อยอะไรเราก็ยังไม่พออยากจะให้รออย่างนั่นก่อนอย่างนี้ก่อนขอกับพยามาจุลาศคือความตายก็คงได้ ความตายนี่คนโบราณอาจารย์เก่าท่านจึงตั้งชื่อว่าเป็นพยาใหญ่ที่สุดในโลกตั้งให้ความตายนี่ว่าไม่มีใครจะมาลบทับจับสึกสู้ครับความตายไม่มีใครสู้ได้เราต้องกลองให้เห็น ไม่ใช่ว่าเพียงจําภาษาว่าเราต้องตายก็พอต้องไกลกลองให้เห็นว่ามันตายจริงๆดูคนเราเขาที่ตายไปบางคนเกิดวันนั้นคลอดวันนั้นตายวันนั้นก็มีบางคนหลับตายทั้งลูกตายทั้งแม่ก็มีในวันไหนวันคลอดบางคนก็มาได้เจ็ดวัน ตายก็มีอย่างพุทธมารดาพระพุท ธ, ธเจ้าของเรานะ่ประสูติได้เจ็ดวันเท่านั้นก็สวรรคตยังไม่ได้เห็นพระพุท ธ, ธเจ้าตัดสร้อยเว่ยตายเสียก่อน แต่พระเจ้าสุโทโธธนะพุทธบิดาอายุยืนจนแก่ชลาจึงสวรรคตก่อนจะสวรรคตก็ภาวนาได้สำเร็จมรรคผลขั้งสุดท้ายก็ได้สำเร็จเป็นพระอราหาันตาในหอปราสาท พระพุทธเจ้าของเราจึงได้เสด็จไปทมชาปนาจิจด้วยพระองค์เองกับพระไปยุลยาตเพราะพระเจ้าสุดโทธนะเมตใจเข้มแข็งบำเพ็นทานรักษาศีลภาวนาอยู่ในหอปราสาทราชสมนนกิอยู่ในความสุขสบายท่านไม่ยึดถือ ท่านภาวนาว่าพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จท่านเป็นพระพุทธเจ้าเพราะภาวนาอนาปารลมหายใจคนสมัยนั้นเป็นคนที่ว่า ง, ง่ายสอนง่ายไม่ไม่กระด้างกระเดือกพอพระพุทธเจ้าสอนอยังใดก็ตั้งใจทำตามปฏิบัติตาม แล้วว่าแข่งขันกันในการภาวนาคือว่าใครจะได้สำเร็จมรรคผลก่อนกันผู้ที่ยังไม่ได้สำเร็จเป็นพระโสดากเพียรพยายามทุกอย่างเพื่อให้ได้ละสกายทิฏฐิวิจิคิจฉาสีระพตะปลมากให้เด็ดขาดลงไป จนเป็นพระสวดาเป็นพระสจิทาคาเป็นพระอนนาคาถึงขั้นเป็นพระอาราหาันตาก็มากมายในสมัยครั้งพุทธกาลคือท่านตั้งใจทาจริงเพราะเมพระพุทธเจ้าเป็นพยานเป็นหลักฐานอันพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่า โพลิสลักษณะสวยงามนอกจากสวยงามตามบุญบารมีแล้วยังมีสึ่งหนึ่งที่คนเราได้เห็นก็คือว่ารัทมีหกประการมีสีช่อออกไปจากพระวรากายข้างละวาละวาไปไหนมาไหนไม่ว่ากลางวันกลางคืนรัทมีหกประการนั้นก็ ว่างรอบพระองค์อันนี้อันหนึงนะ่งแหละเมื่อคนได้เห็นได้กราบได้ไหว้แล้วก็พาให้จิตใจมีกำลังในการทำบุญให้ทานในการรักษาสินห้าสินแปดในการเจริญภาวนาปฏิบัติบูชาจิตใจของอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย เมื่อได้เห็นแล้วจิตใจมันกลุมมั่นคงเต็มร้อยเปอร์เซนกว่ากว่าคือศรัทธาไม่ถอยคนสมัยก่อนโน้แต่คนสมัยนี้นันมันไม่เห็นมันได้ยินแต่เขาเล่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เชื่อไปอย่างนั้นแหละแต่คนสมัยก่อนเขาได้รู้ได้เห็นมันเป็นความจริง เทนเจตใจเขาก็ลกขึ้น่ะมันลกขึ้นทําความดีลกขึ้นไหวพระสวดมนต์ไม่ท้อถอยลกขึ้นนั่งสมาธิภาวนาแค่นั่งขัดสมาธิเพชรนี่เป็นเรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็โลภร่างกายแข้งขาตัวของเราชดแทแต่เราจะนั่งแบบไหนมันนั่งได้ทางนั้นแต่จิตนั่นเรามัน กิเลสในจิตมันไม่ยอมไม่ยอมให้นั่งถ้านั่งได้ใจมันจะได้ห่างไกลจากกิเลสแล้วกิเลสมันกิเลสท่านว่าเป็นมารมานก็คือว่าผู้คอยฆ่าคอยทำลายเวลาคนเราจะทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาย่อมมีมารมาเบียดท่านว่ามาเบียดเบี้ยนมารมาห้ามห้ามไม่ให้ทำ เนี่ยแหละถ้าเราลุกกลนมารยาสาไถของมารกิเลสแล้วการนั่งสมาธิภาวนามันนั่งได้ไม่กลัวอย่างพระพุทธเจ้าท่านไม่กลัวทําไมท่านจึงไม่กลัวก็ท่านรู้รู้ว่ายังไงรู้มันก็แค่ตายนัมันไม่เลยตายเั็นไหม เจ็บด้วยการนั่งขัดสมาธิเพชรมันเพชรมันก็ไม่เลยตายเจ็บมากที่สุดมันก็ตายนั่นแหละอเมื่อมันยังไม่ตายก็นั่งมันไปภาวนาไปสาวกทั้งหลายเวลามันท้อถอยมาก็นึกถึงพระพุทธเจ้าหรือได้เห็นตําตาอยู่ทุกวันว่าพระองค์ทำไมไม่ท้อถอย ทั้งๆ ท, ที่พระวรกายองค์ของท่านร่างกายของท่านก็เป็นคนโลกเท่าพยามหากษตรย์ไม่มีการงานอันอยากโยมาในความสุขความสะดวกท่านยังทําได้ท่านยังละกิเลสความโกรธได้ท่านยังละกิเลสความโลภความอยากได้ออกไปได้ ทั้งๆที่เมแล้วท่านก็ยังละได้ปล่อยได้วางได้มีจนเหลือเฟือท่านยังละได้วางได้คนเราคือว่าเป็นที่จิตจิตมันยังไม่พอคือจิตไม่ภาวนาให้มันพอไม่กำหนดพิจารณาให้มันพอให้มันรู้มันเห็นให้มันแจ้งในเรื่องทุกข์ การเกิดมาแล้วเรื่องทุกข์มันมากเรื่องที่จะทำให้เกิดทุกข์มันโล้จักกิเลสในใจมนุษย์คนเรามันโล้จักแต่จะเพิ่มทุกข์หาทางเพิ่มทุกข์ขึ้นมาก็โดยแต่ว่าไม่ว่าหญิงว่าชายเกิดมาคนเดียวมันก็สุขสบายพอแรงแล้วแต่ก็ไปหิ้วเข้ามาหาบเข้ามา มีลูกเต่ากานเลนสามีภรรยาเลือกสวนไล่หน้าค่าราชการแบกเข้ามาหาบเข้ามาบรรทุกใหญ่ก็เลยเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่ในเรื่องเกิดแก่เจ็บตายของตัวเองถ้าการทำใจให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิมันก็เบาไปจิตมันไปหนักไปทางกิเลส เมื่อมาถึงเวลานั่งภาวนากำรนดมมลนะภัยคือความตายให้มันแจ้งในจิตในใจแล้วแม้เราจะไม่ละมันก็จำละคิดดูให้ดีเมื่อความแตกความตายมาถึงเข้าเมื่อถึงเวลาแล้วมันเป็นไปได้หรืออย่างว่าเวลาตายบางคนเกิดอุปทวยเหต ด้วยรถ ด, ด้วยยานพาหนะที่ตัวพานำไปมาเป็นเหตุทั้งๆที่คนเราก็ไม่ต้องการแต่มันถึงเวลาแล้วมันต้องเป็นไปห้ามไม่ได้การไม่ให้มันเป็นก็ไม่ได้ เมื่อเป็นเค่นดีพระพุทธเจ้าพระองค์จึงรีบเร่งภาวนาแล้วสมถะภาวนาวิปัสนาให้มันแจ้งถ้ามันแจ้งในจิตในใจแล้วจิตใจมันก็ถอนออกไนดะ้เมื่อเห็นแจ้งในจิตว่ามันไม่เที่ยงจริงๆ ร, รูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลเจ็ดมันก็ ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับกิเลสอีกจิตมันก็วางเฉยพุทธโธอยู่ในใจก็ว่าได้จิตมันโลว่าโยที่ไหนไปที่ไหนถ้ามีธาตุสี่ขันธ์อายัตนะหกอายัตนะสิบสองโยอย่างนี้แล้วมันก็ตัวทุกนั่นแหละท่านก็ดูโยที่กายวาจาจิตนี่ ดูที่ตาดูที่ลูกดูที่หูดูที่เสียงพิจารณาอยู่ในกายในจิตดูที่จมูกดูที่ปิ่นดูที่เล่นดูที่รสอาหารผ่านลิ้นดูที่กายดูที่สิ่งมาสัมผัสร่างกายดูที่ธรรมารมโดูที่จิตใจที่มาหลงอยู่ในอารมณ์กีเล เมื่อเจตของพระองค์ตามลู้เห็นแจ้งด้วยปัญญาอันชอบแล้วมันก็เกาะไม่อยู่แล้วกิเลสมันเกาะมาตั้งแต่อเนกชาตลดลดออกจากใจพระพุทธเจ้าส่วนพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายทั้งกุพาวนานะเอาจนมันลด เอามันหลดมันตกก่อมันขาดตอนเองเมื่อมันพอแต่การทําการปฏิบัติของคนเรามันน้อยมันไม่พอแล้วก็อยากให้มันลดง่ายง่ายแล้วก็มักจะมาถามว่าหลวงพ่อจะให้ภาวนาบทดใดทำมันพ้นทุกข์เร็วๆแต่ผมไนี่อยากจะให้มันพ้นทุกข์เร็ว หาทางลัดกว่านี้ได้หรือนี่ก็ว่าเย็บใจเราไม่มีความเพียรเหมือนพระพุทธเจ้าความเพียรน้อยเป็นคนใจน้อยใจไม่ใหญ่ต้องตั้งใจขึ้นมาให้มันใหญ่หัวใจให้เท่ากันมาพล้าอย่าไปใจน้อยกลัวเจ็บกลัวไข้กลัวตาย ยกจิตใจขึ้นมาให้สูงส่งทำไมพระพุทธเจ้านั่งสมาธิภาวนานานที่สุดเป็นเจ็ดวันท่านก็นั่งได้เยืนเจ็ดวันท่านก็ยืนได้เดินเจ็ดวันท่านก็เดินได้ทำไมท่านไม่แตกไม่ตายเวลาคนเราจะทำอะไรเล็กๆน้อยๆบนกลัวคือจิตมันกลัว จิตมันทอแท้อ่อนแอจิตมันน้อยเท่าปลายเข็มจิตไม่กล้าถ้าจิตมันลบขึ้นทำมันกล้าหารนเผชิญหน้าตอกิเลสไม่ยอมแพ้ภาวนาตั้งใจให้มั่นคงถ้ายังมีชีวิตยังมีลมหายใจอยู่เราก็จะภาวนาอย่างนี้จนถึงวาระสุดท้าย ตายเมื่อใดก็จบไปเมื่อนั้นถ้ายังไม่ตายก็ภาวนามันจะสําเร็จไม่สําเร็จมันก็อยู่ที่ทำถ้าทําไม่ท้อถอยมันต้องสําเร็จวันใดวันหนึ่งจนได้ถ้าใจมันกล้าขึ้นมาอย่างนี้อันที่มันมืดมันหลงมันยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดชาติยึดตระกูลวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุด มันก็เลิกล่างกันไปดวงจิต ด, ดวงใจก็เบาโล่งเย็นสบายมีเวลามีโอกาสภาวนาได้ตลอดวันตลอดคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถจิตใจมันไม่กลัวละทำได้ปฏิบัติได้ เมื่อทำไปปฏิบัติไปมันคล่องแคล่วว่องไวเฉลิ้วฉลาดสามารถอาจหารเทนี้มันก็ตัดออกได้เป็นอย่างเป็นอย่างไปไม่ใช่เราไปตัดก่อนพินพิจพิจารณาให้มันทั่วท่วนทั่วถึงรอบคอบทุกอย่างทุกประการมันตัดเองละเอง ท่านให้ชื่อว่าพระอารียมรักทั้งแปดเมื่อมันพร้อมกันแล้วมันตัดเองละเองแต่ว่าที่มันเลิกไม่ได้ละไม่ได้คือว่าการเจริญภาวนาการพินิษฐ์ผิจารณาของคนเรามันน้อยมันไม่ทั่วถึงหรือว่ามันมองเห็นหน้าเดียวมันไม่มองเห็นสี่ทิศสิบทิศ มันมองเห็นนิดๆหน่อยๆแล้วก็หลงไปลืมไปพระพุทธเจ้าท่านไม่ลืมท่านรู้นั่งก็รูนอนก็รูยืนก็ดูเดินไปนหนก็รูรู้อะไรก็รู้ว่าโลกนามกายใจมันเกิดมันเกมันเจ็บมันไข้มันตายมันวุ่นวายของมันอย่างนี้แหละแต่ถ้าเป็นแต่เพียงวาทสี่ขันห้ามันเป็นไป เจ็ดใจไม่ลุ่มหลงมัวเมาไปตามอาการเหล่านั้นมันก็ไม่เดือดรอ้อนภาวนาได้ภาวนานั้นท่านว่าถ้าตั้งใจให้ดีให้มั่นคงแล้วนั่งก็ภาวนานั่งแบบไหนก็ภาวนาเดินแบบไหนก็ภาวนาได้เดินอยก็ภาวนาได้ไปรถไปเรือไปเหนือไปใต้ไปไหนก็ภาวนาได้ เมื่อใจตั้งได้ละอะไรมันได้หมดละแหงนั้นความตั้งใจให้มั่นในตัวในใจของเหล่านี้จึงเป็นข้อแรกที่เราทุกคนจะต้องประกอบกระทาคือเรื่องจิเลสในหัวใจในตัวคนเราคนอื่นจะมาแก้ไขให้นั้นไม่ค่อยได้ แม่องค์พระพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์ยังมีชีวิตอยู่พระองค์ทรงตัดว่าเราตถาคตหมายถึงพระองค์เองก็เป็นแต่ผู้ชี้แจงแสดงตัดสอนไว้แล้วให้สาวกทั้งหลายจดจำเอาแล้วนำไปปฏิบัติชำระจิตใจของตัวเอง จนถึงขั้นละกิเลสลาคะโทสะโมหะในจิตใจของตนได้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าไปละให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนผู้บอกเมื่อใครเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะได้ทำได้ปฏิบัติไม่ต้องไปรอคอยว่าพระพุทธเจ้าจะมาโปรดเมื่อนั้นเมื่อนี้ ไม่มีใครแลพระธรรมคําสั่งสอนของพระองค์โลรยอยู่ทุกวันเวลาแต่ว่าจิตเราไม่สงบระ ง, งับก็ไม่ได้ยินเสียงพระธรรมท่านสอนเพราะจิตเราประมาทถ้าลองดูใจเราสงบระ ง, งับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาห่างไกลจากลูกเสียงกลิ่นรสโสดพระธรรมาลม จิตใจมันมันเพียนขยันขันแข็งไม่ท้อถอยแลยพระธรรมจะตามรักษาสอนอยู่ทุกเวลาเ mm hmm. มื่อพระธรรมตามรักษาสอนอยู่ทุกเวลาความเพียรความมันความขยันในจิตใจของผู้ปฏิบัติพรโยคาวาจรเจ้าทั้งร้าย mm hmm. ก็เรียกว่าเข้มแข็งเข้มข้นไม่อ่อนแอท้อแท้ ความทุกเกิดขึ้นจากโูกประขันท่านก็รู้ว่าอันนั้นเป็นเรื่องของโลประขันเขาต้องเป็นไปอย่างนั้นแค่เจ็บเท่านี้นะมันเล็กน้อยเวลาคนเราและทุกคนจะถึงซึ่งวาระสุดท้ายคือความตายมันเจ็บจนกระทั่งเหลือทนทนไม่ได้ก็เลยแตกตายไปอันนั้นเวลาเราอยู่ดีสบาย อย่างทุกวันนี้ให้พากันตั้งใจภาวนาทำความเพียรละกิเลสในใจของตัวเราเองให้หมดสิ้นไปก่อนตายอย่าไปรอถึงว่าใกล้จะตายจึงภาวนาพุทโธพุทโ ธ, ทโธภาวนามณะกรรมฐานเอาให้มันสิ้สิ้นไปไม่ได้ โยดีสบายนี่แหละเป็นเวลาที่เราจะต้องเล่งภาวนาะถ้ามันเกิดทุกขเวทนาแล้วเจ็ดมันไปคล้องอยู่ในความทุกข์บวชหัดละหัดวางไว้แล้วมันไปถึงเวลานั้นมันปั่นป่วนหมดอันนั้นเวลาอยู่ดีสบายให้ภาันตั้งใจคือว่าตั้งใจแต่วันนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไป เพื่อตั้งใจทำอยู่ปฏิบัติอยู่ยาได้ทอดทุเลายาได้ทิ้งการงานภาวนาของตัวเองเมื่อทำไปปฏิบัติไปด้วยกำลังความเชื่อความเลื่อมใสในใจมันก็เกิดพลังงานขึ้นมาความเชื่อความเลื่อมใสก็มากขึ้นความอดความทนก็มีขึ้น สติปัญญามันกลมมากขึ้นตามรู้ตามละสิ่งต่างๆได้ทุกอย่างทุกประการผลที่สดที่เราทำอยู่ปฏิบัติอยู่นี่แหละก็เป็นกหลังให้จิตใจที่ไม่รู้ได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจสิ่งแปลกๆต่างๆในจิตในใจนั้น ใจก็เข้มข้นในการมุ่งเพื่อปฏิบัติบูบชาภาวนาละกิเลสเนและเราท่านทั้งหลายการปฏิบัติบูบชาภาวนานี้ขึ้นโยกับการกระทาของแต่และบุคคลจะฟังธรรมเข้าใจขนาดไหนถ้าไม่ เอาไปประกอบกระทําก็ไม่รู้ไม่เข้าใจอยู่นั้นแหละต้องเอาไปประกอบกระทําจนเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาในจิตใจของตัวเองจนเลิกละกิเลสความโกรธได้จริงละกิเลสความโลภโลภะได้จริงละกิเลสความหลงในจิตได้จริงได้เมื่อใดเมื่อนั้นแหละความเข้าใจในธรรม ในทางพุทธศาสนากฎแจง้งใสบริสุทธิ์ขึ้นมาในตัวในใจของเราทุกคนคำว่าสติปัญญาวิชาความรู้นั้นไม่ได้เลือกว่าเพศหญิงเพศชายไม่ได้เลือกว่าคริหัสและนักบุชมันขึ้นโยกับความตั้งใจประกอบกระรมของแต่และบุคคล เมื่อบุคคลผู้ใดไม่ความภาคความเพียรไม่ความอดความทนทนไม่ความเอาใจใส่ในสิ่งที่ตนปฏิบัติกระทาอันนั้นมันก็เกิดความรู้ความฉลาดความสามารถอาจหารขึ้นมายังมีพุทธภาษิทข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าของเราทรงตัดไว้ว่า อะไรไม่เหลือความเพียรท่านว่ายอย่างนั้นวิเยนทุกขมัดเจติบุคคลจะล่วงทุกไปได้เพราะความเพียรถ้ามีความเพียรอยู่ในใจแล้วพยายามทำไปไม่ทอดทิ้งผลที่สดพ้นทุกได้ท่านว่ายอย่างนั้น แน่แหละเราท่านทั้งหลายเมื่อว่าเราทุกคนได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติเชื่อแน่ว่าคงเป็นไปเพื่อความพ้นทุกภัยในวัฏสงสารได้ทุกทุกคนดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประการละนี สัพพิติโยวิวัทชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตะวันตราโยสุขีธีคายุโกภะอพิวาธนาสิริสนิจังวุธาปัยิโนยัตตารโธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังปารัง